เปแล้วโอกาสแก่ตัวหลุดลอยหายไปตอนยังมีลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าจะคิดได้กดสายไปเสียดายเธอคิดชีวิตต้องอยู่ ยาวไกลเสียดายคนตายอย่างเธอต้องจา ก, กันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านความจริงที่สืบทอนบอกไว้หลับตัวไม่ได้หลับใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นถ้าปล่อยมันตป